50 languages. e i Chia si. q u า s t i o n a d i ṭ a k ประ श ् न ू त क ा ल ोคุณผูกเน็คไทเส้นไหนต้องแคดี้ไทล์ลา คุณซื้อรถคันไหนแล้วทุกคิดีกัดติขายดีเหรคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนทุกคิดาข่าวลกวายาเหรอเหรอคุณได้เห็นใครตุสิคิสณูดิเขี้ยสิคุณได้พบใครตุสิคิสณูมิเลสิ คุณได้เจอใครที่รู้จักทุสิคิสโนเปจานเนียสิคุณตื่นนอนกี่โมงทุสิคดอวอุเทหโฮคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ทุสิคดอวอารัมปกิตตาเฮคุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ทุสิคดอว์ขัมกิตตาเ ทำไมคุณถึงตื่นนอนตัวฮาดดิจักคิโยขุลิซีทำไมคุณถึงเป็นครูตุซีอธยาปกคิโยบนเนซีทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ตุซีแท็กซี่คิโยเลย์เฮคุณมาจากไหนตุซีคิทโทไอยโฮ คุณไปไหนมาตุสิกิทธิเกย์สคุณไปอยู่ที่ไหนมาตุซิกิทธิสิคุณไปช่วยใครมาตุซิกิสดีมดดกี่ตีฮห้คุณเขียนถึงใครตุซิกิสนูลิขิยาเห้คุณตอบใคร त ो स ी किसनू उत्तर देता है?